ธรรมบทแปลเรื่องนายพรานกุกกุตมิตรภาคที่หเรื่องที่หนึ่งสองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงรารบนายพรานชื่อกุกกุตมิตรตรัสพระธรรมเทศนานิว่าปาณิมหิเจวโนนาสะหะระยะ ปานินา w ิสังนาภะนังวิสะมะเนวตินัตถิปาบังอากุปะโตถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซบุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดบาปย่อมไม่มี แก่ผู้ไม่ทำอยู่ฉะนั้นตอนทิ่ดาเศรษฐีรักนายบานกุกุตมิตรได้ยินว่าทิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชฤคร์เจริญว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่การรักษามารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหนึ่งให้อยู่ในห้องบนประสาทเจ็ดชั้น ในเวลาเย็นวันหนึ่งแลไปในระหว่างถนนทางหน้าตางเห็นนายปราณคนหนึ่งชื่อกุกกุตมิตรผู้ถือบวกห้าร้อยและหลาาห้าร้อยค่าเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพค่าเนื้อห้าร้อยตัวแล้วบรรทุกเกวียนใหญ่ให้เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์เหล่านั้นนั่งบนแอกเกวียนเข้าไปสู่พรณธนากร เพื่อต้องการขายเนื้อเธอเป็นผู้มีจิตปฏิพัติ์ในนายปราณนั้นให้บรรณาการในมือหญิงคนใช้ทรงไปด้วยคําว่าเจ้าจงไปจงให้บรรณาการแก่บุรุษนั้นรู้เวลาไปของเขาแล้วจงมาหญิงคนใช้ไปแล้วให้บรรณาการแก่นายปราณนั้นแล้วถามเขาว่าจะไปเมื่อไหร่ นายพรานตอบว่าวันนี้เราขายเนื้อแล้วจะออกไปโดยประตูชื่อโน้นแต่เช้าเทีย่ยงหญิงคนใช้ฟังคำที่นายพรานนั้นบอกแล้วกลับมาบอกแกท่ทิดาเศรษฐีนั้นทิดาเศรษฐีรวบรวมผ้าและอาพรทั้นควรแก่ความเป็นของที่ตนควรถือเอานุ่งผ้าเกา่า ถือหม้อออกไปแต่ชาวตรูเหมือนไปสู่ท่าน้ำกับพวกนางตาสีเมื่อถึงที่นั้นแล้วก็ได้ยืนคอยการมาของนายปราณอยู่แม้นายปราณก็ขับเกวียนออกไปแต่ชาวตรูฝ่ายนางก็เดินตามหลังนายปราณ น, นั้นไปเขาเห็นนางจึงพูดขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่รู้จักเจ้าว่าเป็นธิดาของผู้ชื่อนอนแน่นแม่เจ้าอย่าตามฉันไปเลยนางจึงตอ บ, บ่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาตามธรรมดาของตนท่านจงนิ่งขับเกวียนของตนไปเถิดเขาห้ามนางแล้วแล้วเล่าเล่าทีเดียวครั้นนางพูดกับเขาว่าอันการห้ามสิริ อันมาสู่สำนักของตนย่อมไม่ควรนายพรานจึงได้ทราบการมาของนางเพื่อตนโดยไม่สงสัยแล้วได้อุ้มนางขึ้นเกวียนไปมาดาบิดาของนางให้คนหาข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่พบสำคัญว่านางจะตายเสียแล้วจึงทำพัดเพื่อผู้ตาย แม่นางอาศัยการอยู่ร่วมกับนายปราณนั้นได้คลอดบุตรเจ็ดคนโดยลำดับผู้บุตรเหล่านั้นผู้เจริญใบเติบโตแล้วด้วยเครื่องผูกคือเรือนตอนกุกุธมิตรอาคาศในพระพุทธเจ้าภายหลังบันหนึ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นหนายปรานกุกกุตมิตรกับบุตรและสภัยเข้าไปในคายคือพระญาณของพระองค์ทรงใกร่กรวนว่านั่นอะไรเนาะแลทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโซดาปฏิมักของชนเหล่านั้นแล้วจึงถือบาทและชีวรได้เสด็จไปที่ดักบ่วงของนายปรานนั้นแต่เช้าตรู่ วาะนั้นแม้เนื้อสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ติดบ่วงเลยพระสัสดาทรงแสดงรอยพระบาทที่ใกล้บ่วงของเ่าแล้วจึงมาประทับนั่งที่ใต้ร่มพุ่มไม้พุ่มหนึ่งข้างหน้านายปราณกุกุตมิตรถือธนูไปสู่บ่วงแต่เช้าตรู่ตรวจ ด, ดูบ่วงจำเดิมแต่ต้นไม่พบเนื้อแม้ตัวเดียว ซึ่งติดบ่วงแต่ได้เห็นรายประบาทของพระาศาสดาแล้วที่นั้นเขาได้นําริ่อชนีว่าใครเที่ยวปล่อยเนื้อตัวติดบ่วงของเราเขาปูกอาฆาตในพระาศาสดาและเมื่อเดินไปก็พบพระาศาสดาประทับนั่งที่โคนพุ่มไม้จึงคิดว่าสมณะองค์นี้ปล่อยเนื้อของเรา เราจะค่าสมนานั้นเสียดังนี้แล้วเขาก็ได้โก่งตนูขึ้นประสัสดาให้เขากงตนูได้แต่ไม่ให้ยิงตนูไปได้เขาไม่อาจทั้งปล่อยลูกสอนไปทั้งลดลงมีสีข้างทั้งสองบ้านดังจะแตกมีน้ำไหลไหลออกจากปากเป็นผู้อ่อนเปลี่ยได้ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นแล้ว ครั้นนั้นพวกบุตรของเขาไปเรือนพูดกันว่าบิดาของเราล่าช้าอยู่จะมีเหตุอะไรเนาะและมารดาจึงส่งบุตรทั้งหลายเหล่านั้นไปด้วยคําว่าพ่อทั้งหลายพวะเจ้าจงไปสู่สํานักของบิดาบุตรเหล่านั้นตางก็ถือธนูไปได้เห็นบิดายือนอยู่เช่นนั้นจึงคิดว่า ผู้นี้จะเป็นปัจจามิตรคือเป็นศัตรูของบิดาของพวกเราดังนี้บุตรทั้งเจคนนั้นจึงได้ก่งจันูขึ้นและได้ยืนนิ่งอยู่เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนนิ่งอยู่นั่นแล้วเพราะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตอน ก, กุกุตมิตรเลิ่อาคาดในพระพุทธเจ้าลําดั บ, บนั้น มารดาของพวกเขาคิดว่าทำไมนอแลบิดาและบุตรจึงล่าช้าอยู่เธอจึงได้ไปกับลูกสะใภ้ทั้ง 7- คนเห็นชนเหล่านั้นยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วคิดว่าชนเหล่านั้นยืนกลงธนูต่อใครน้อแลเมื่อเธอแลไปก็เห็นพระศาสดาเธอจึงประคองแขนทั้งสองขึ้นร้องลั่นขึ้นว่า พวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศพวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศนายปราณกุกุตมิตรได้ยินเสียงนั้นแล้วคิดว่าเราชิบหายแล้วหนอนัยยะว่าผู้นั้นเป็นพ่อตาของเราตายจริงเราทำกำหนักแม้พวกบุตรของเขาก็คิดว่านัยยะว่าผู้นั้นเป็นตาของเราตายจริง เราทำกำหนักนายปราณกุกุตมิตรจึงเข้าไปตั้งเมตตาจิตไว้ว่าคนนี้เป็นพ่อตาของเราแม้บุตรของเขาก็เข้าไปตั้งเมตตาจิตว่าคนนี้เป็นตาของพวกเราขณะนั้นทิดาเศรษฐีผู้เป็นมารดาของพวกเขาพูดว่าพวกเจ้าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็ว แล้วให้บิดาของฉันอดโทษให้พระศาสดาทรงทราบจิตของเขาเหล่านั้นอ่อนแล้วจึงให้ลดตนูหลงได้ส่วนเหล่านั้นทั้งหมดตวายบังคมพระศาสดาแล้วให้พระองค์อดโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงอดโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดดังนี้แล้วนั่งนะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้น พระาศาสดาได้ตรัสอนุบุพีคถาให้กับผู้เขาในเวลาจบเทศนานายปรางกุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสภัายมีตนเป็นที่สิบห้าตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วพระาศาสดาเสด็จเที่ยวไปบินดาบาดได้เสด็จไปสู่วิหารภายหลังบัดลำดับนั้น พระอนุนเตระจึงทูลถามพระองว่าวันนี้พระองค์เสด็จไปไหนพระชจ้าพระศาสดาวันนี้เราไปสำนักของกุกุตมิตรอ น, นุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายพรานกุกุตมิตรพระองค์ทําให้เป็นผู้หม่กระทํากรรมคือปาณาติบาตแล้วอย่างนั้นหรือพระชจ้าถูกแล้วอนุนนายพรานกุกุตมิตรนั้น มีตนเป็นที่15ตั้งอยู่ในสัทธาอันไม่ร่อนแกลนเป็นผู้หมดสงสัยในรัตนสามเป็นผู้ที่ไม่ทำกรรมคือปานาติบาตแล้วพวกภิกษุทั้งหลายจึงกราบตูนตามว่าก็แม้ปริยาของเขาก็มีมิใช่หรือพระชาคา่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนางบรรลุเป็นโสวดาปฏิผล ตั้งแต่ตอนเป็นกุมาริกาในเรือนของผู้มีตระกูลนั่นเดียวตอนพระโสดาบันไม่ทำบาปพวกภิกษุสนทนากันว่าได้ยินว่าภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรบรรลุโสดาปัติผลในการที่ยังเป็นเด็กหญิงนั่นแหละแล้วไปสู่เรือนของนายพรานนั้นได้บุตรเจ็ดคน นางอันสามีสั่งตลอดการเท่านี้ว่าหล่อนจงนำธนูมานำลูกศรมานำหอกมานำเหลามานำขายมาเธอก็ได้ให้สิ่งเหล่านั้นแล้วนายปรานนั้นถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทําปานาติบาตก็แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทําปาณาติบาตอยู่อยู่นั้นหรือ ในที่นั้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันย่อมไม่ทำปานาติบาตแต่นางได้ทำอย่างนั้นโดยคิด ว, ว่า เราจะทำตามคำสามีจจตของนางไม่มีเลยว่าสามีนั้นจงถือเอาเครื่องประหาร น, นี้ไปทำปานาติบาตจึงอยู่เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มียาพิษนั้นก็ไม่อาจจะให้โทษแกผู้ถือยาพิษได้ฉันใดชื่อว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป แม่นำเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้นออกให้เพราะไม่มีอกุศลเจตนาฉะนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสื่อนุญชนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซ้บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษ ย่อมไม่ซึมเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่ฉะนั้นบาลีว่าปานิมหิเจวะโนนาสะหารรยะปานินาวิสังนาพาหนังวิสมะเนวตินัตถิปาปังอากุพโต ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าน่าสักได้แก่ไม่พึงมีคำว่าหารยะแปลว่าพึงนำไปหมายความว่าสามารถนำไปได้ถามว่าเพราะเหตุไรแกว่าเพราะยาพิษไม่ซึมไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลซึ่งอยู่ยาพิษย่อมไม่อาจซึมทราบเข้าสู่ฝ่ามือ ที่ไม่มีแผลฉันใดชื่อว่าบาปย่อมไม่มีแกผู้ไม่ทำบาปแม้นำเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้นออกให้เพราะไม่มีอกุศลเจตนาฉะ น, นั้นเหมือนกันแท้จริงบาปย่อมไม่ติดตามจิตของบุคคลนั้นเหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผละฉะ น, นั้นดันี้แหละ ในการจบเทศนาจนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วตอนบรุรพกรรมของกุกุตมิตรพร้อมด้วยบุตรและสะใยโดยสมัยอื่นพวกภิกษุสนทนากันว่าอะไรหนอแลเป็นหนูปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักรรของนายพรานกุกุตมิตร ทั้งบุตรและสะายนายพรานกุกุตมิตรนี้เกิดในตระกูลของนายพรานเนื้อเพราะเหตุไรเมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วราถามว่าภิกษุทั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้เนีนี้แล้วพระองค์จึงได้ตรัสขึ้นว่า วิสูตังหลายในอดีตการมูชนจัดสร้างเจดีบรรจุพระธาตุของพระกัสปะทศพลกล่าวกันอย่างนี้ว่าอะไรหนอจะเป็นดินเหนียวอะไรหนอจะเป็นน้ำประสานแห่งเจดีนี้ในที่นั้นพวกเขาได้มีปริวิตกดนังนี้ว่าหร ด, ดานและมโนศิลาดาน จะเป็นดินเหนียวน้ำมันงาจะเป็นน้ำประสานพวกเขาจึงตามหารดานและมโนศิลาแล้วผสมกับน้ำมันงาก็ด้วยอิฐปิดด้วยทองคําแล้วเขียนลวดลายข้างในแต่ที่มุกภายนอกมีอิฐเป็นทองทั้งแท่งทีเดียวอิฐแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งได้มีค่าแสนหนึ่ง พวกเขาเมื่อเจดีสําเร็จแล้วจนถึงการจำบรรจุพระธาตุคิดกันว่าก็าในการบรรจุพระธาตุต้องการทรัพย์มากพวกเราจะทําใครน้อแลให้เป็นหัวหน้าในขณะนั้นเจตีบ้านนอกคนหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะเป็นหัวหน้าเขาได้ใส่เงินหนึ่งโกดในที่บรรจุพระธาตุ ชาวแว่นแกนเห็นกิริยานั้นจึงโผนธนาขึ้นว่าเศรษฐีในเมืองกรุงนี้ย่อมรวบ ร, ว ม, รวมทรัพย์ไว้ถ่ายเดียวไม่อาจเป็นหัวหน้าในเจดีเห็นปา น, นี้ได้ส่วนเศรษฐีบ้านนอกนี้ใส่ทรัพย์หนึ่งโกดคงเป็นหัวหน้าแน่แลนี้เศรษฐีในกรุงนั้นได้ยินถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า เราจะให้ซับสองโกดแล้วเป็นหัวหน้าเขาก็ได้ให้ซับสองโกดแล้วเศรษฐีบ้านนอกนั้นคิดว่าเราจะเป็นหัวหน้าให้ได้เขาจึงได้ให้ซับสามโกดครั้นเศรษฐีทั้งสองเพิ่มซับกันด้วยอาการอย่างนี้เศรษฐีในกรุงได้ให้ซับแปดโกดแล้วส่วนเศรษฐีบ้านนอก ในเรือนมีทรัพย์9โกดเท่านั้นเสถีในกรุงมีทรัพย์40โกดเพราะฉะนั้นเศรษฐีบ้านนอกจึงคิดว่าก็ถ้าเราให้ทรัพย์9โกดซไซส์เสถีผู้นั้นก็จะกล่าวว่าจะให้ทรัพย์10บโกดเพื่อเป็นเช่นนั้นความหมดทรัพย์ของเราจะปรากฏเศรษฐีบ้านนอกจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าฉันจะให้ทรัพ์ประมาณเท่านี้ และเราทั้งลูกและเมียจะเป็นทาสของเจดีดังนี้แล้วพาบุตรทั้งเจคนสบายทั้งเจ็ดคนและภรยามอบแก่เฉดีพร้อมกับตนชาวแวน่แวนแก้นทาเศรษฐีบ้านนอกนั้นให้เป็นหัวหน้าด้วยกล่าวว่าชื่อว่าทรัพย์ไกลๆก็อาจทําให้เกิดขึ้นได้แต่เศรษฐีบ้านนอกนี้ พร้อมทั้งบุญและประยามอบตัวเฉพาะเจดียเจตีนี่แหละจงเป็นหัวหน้าจนทั้งสิบคนนั้นได้เป็นทาสของเจดีด้วยประการชนี้แต่ชาวแว่นแกนได้ทำให้เขาเป็นอิสระแต่แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติเจดีนั่นแลน้ำรงอยู่ตลอดอายุ จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกก็เมื่อชนเหล่านั้นอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งพุทธันดรนในพุทธุปปการนี้ภรยาจุติจากเทวโลกนั้นบังเกิดเป็นทิดาเศรษฐีในกรุงรางชกฤกตอนคติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน ก็เมื่อนางยังเป็นเด็กทีเดียวได้บรรลุโสดาปติปนแล้วก็ชื่อว่าปฏิสนที่ของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะเป็นภาระหนักเพราะฉะนั้นสามีของนางจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลปราณเนื้อแต่เพราะความสเสน่หาในการกรได้คราบงามที่ดาของเศรษฐีพร้อมกับการเห็น นาราณกุกุตมิตรนั้นแหละจริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำนี้ว่าความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งและเพราะการเกื้อกูลในปัจจุบันหนึ่งดุดดอกบัวเกิดในน้ำเพราะอาศัยเปลือกตมและน้าฉะนั้น ทิดาของเศรษฐีนั้นได้ไปสู่ตระกูลของปราณเนื้อเพราะความเสน่หาในปางก่อนแม้พวกบุตรของนางก็จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในท้องของนางนั่นแหละแม้เหล่าสไบของนางบังเกิดในที่นั้นๆเจริญวัแล้วได้ไปสู่เรือนของชนเหล่านั้นนั่นแหละชนเหล่านั้นทั้งหมด ปฏิบัติใจดีในการนั้นด้วยประการชนีแล้วจึงได้บรรลุโสดาปฏิผลด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั้นดังนี้แหละเรื่องนายพรานกุกกุตมิต